ที่ได้พูดไว้เมื่อวันแรกๆที่เรามานะว่าว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นนะก็เป็นความทุกข์ใจมากกว่าความทุกข์กายพรพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็พอมียจะกินหรือว่ามีฐานะที่ดีนะไอ้ความลำบากกาย ที่ต้องเหนื่อยยากทามาหากินความผิวโหยหรือว่าความไม่สะดวกสบายนี่มันแทบจะไม่ค่อยมาแผ่วผ่านกับชีวิตของเราเท่าไหร่ความทุกข์ที่มีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความทุกข์ใจและความทุกข์ใจนี่ถ้าพูดอย่าง อย่างสรุปยนย่อหรือฟันธงนะก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะความคิดนะนะทุกส่วนเี่ยพวกเราเนี่เป็นเป็นทุกข์ที่เกิดจากความคิดนะเช่นเวลานึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ดนะีหรือว่านึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยพอใจลอยไปนะถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือนึกถึงสิ่งที่ามาไม่ถึงเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความทุกข์ขึ้นมาหรือพูดอี่อาิดคือความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากการที่ใจมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่พอเป็นนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วอาจจะเป็นความสุขที่เคยมีแต่ได้สูญเสียมันไปหรือว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรา คำตำหนิคำต่อว่ า, าการกระทำไม่ดีของเพื่อนบางคนซึ่งมันยังฝังใจอยู่เราอยู่หรืออาจจะไม่ถึงกับฝังใจนะบางทีก็ลืมไปแล้วแต่พอรึกถึงเมื่อไหร่ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้าเราใจเราอยู่กับปัจจุบันอยู่เช่นอยู่ที่ศาลาตรงนี้นะ มันไม่มีอะไรให้ทุกข์กันนะอาจจะมีความง่วงบ้างจะไม่มีความทุกข์ใจถ้าใจเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ศาลาฟังคำบรรยายนเขตาตมมาแต่พอใจเผลอไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วถึงเรื่องราวในอดีตนะก็เสียใจแค้นใจโกรธหรือว่ารู้สึกผิดอต่จะทำไม่ดีกับ พ่อแม่หรือพูดไม่ดีกับเพื่อนหรือไม่ใช่นนั้นเนี่ยก็ไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนึกถึงการสอบที่ใกล้เข้ามานึกถึงรายงานที่ยังไม่ได้ทำนึกถึงงานการว่าเราจบแล้วจะไปที่ไหนดีจะไปทำ ง, งานที่ไหนหรือจะไปเรียนต่อที่ไหน พอนึกถึงนี้ก็เกิดความหนักใจเกิดความกังวลขึ้นมาหรือบางทีถึงขั้นความกลัวให้เราลองดูในเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราเสียใจเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะใจเราไปอยู่กับปฏิเมื่อใดก็ตามที่เรากังวลหนักอกหนักใจกลัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะเราไป น, นึกถึงอนาคตเทียงมาไม่ถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากทุกข์อยากเสียใจก็ปล่อยใจลอยไปอดีตถ้าอยากหนักอกหนักใจก็ปล่อยใจลอยไปยังอนาคตจะถ้าอยากให้ใจเป็นปกติก็เพียงแต่พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีก็จะไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรให้ทุกข์ใจเท่าไหร่ อันนี้รวมถึงการไปนึกถึงสิ่งที่เสียไปนะสิ่งที่เราเสียไปจะเป็นโทรศัพท์ก็ดีจะเป็นเงินก็ดีให้เงินเพื่อนยืมแล้วเพื่อนไม่คืนสิ่งที่เสียไปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่อง อ, อดีตทั้งนั้นแหละหรือไม่ก็เป็นึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีไปตามห้างแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าอย่างนี้เราก็ยังไม่มี อย่างนั้นเราก็ยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อนะเห็นเพื่อนเขามีโทรศัพท์รุ่นใหม่เรายังไม่มีเราก็ทุกนะเขามีคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือว่าเขามีรถขับกันเราไม่มีทุกเลยการคิดถึงสิ่งที่เสียไปก็ดีการนึกถึงสิ่งที่ยังไม่มีนะมันก็จัดว่าเป็นเรื่องของการไปอยู่กับอดีตกับอนาคต ไอสิ่งที่เราไม่มีเราอยากจะมีใช่ไหมเราก็หวังว่าจะมีหรือว่าเกิดความปรารถนาจะหามาันหามาให้ได้นั่นก็คือเรื่องของอนาคตอันนี้รวมไปถึงการที่ไปจดจอ่ออยู่แต่ว่าโอ้ยเพื่อนเขาคนนี้เขามีตาที่สวยก็จะมีเขามีผิวที่ประงามเราไม่มีเลยนะเราไม่มีตาสวยอย่างงั้นเราไม่มีผิวที่ละมุนละมัยอย่างงั้นทุกเลย ทั้งที่เราก็มีหลายอย่างที่ดีๆนะรวมทั้งการมีสุขภาพดีนะการมาีพ่อแม่นะที่ให้ความอบอุ่นแก่เรามีความรู้เรามีความรู้นะเรามีหลายอย่างดีๆต้องมากมายแต่เรามักจะไม่ค่อยสนใจไอ้สิ่งที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ เพราะเราไม่ค่อยมองเราไปนึกถึงแต่สิ่งที่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่เราเสียไปการที่เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็ถือว่าเราใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะไม่รู้จักชื่นชมปัจจุบันคนเราทุกว่อเห็นนี้สียเยอะเลยนะทุกข์พอาเสียใจทุกข์พราเป็นนึกถึงสิ่งที่เสียไป หรือทุกเพราะยังไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพสมบัตนะิข้าวของเครื่องใช้ถ้าเพียงแต่เราหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเราจะเป็นคนที่ทุกข์ยากและเราจะรู้สึกว่าเราโชคดี าจะมีกี่คนที่เห็นว่าการที่เรามีสุขภาพดีการที่เรามีตามีหูมีร่างกายที่เดินเถินไปไหนมาไหนได้ไม่พลิกการเนี่ยเป็นเป็นโชคเป็นความสุขต่อเมื่อเราเสียมันไปเราถึงค่อยมานึกได้โอ้เรามีสิ่งดีๆอยู่แต่กลับไม่เห็นคุณค่าคนมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ ก็ต่อเมื่อเสียมันไปแล้วจะเป็นโทรศัพท์นะจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแล้วก็ทั่งแว่นตาซนะึ่งอาจจะเราสู้มันเฉยๆสู้ของคนอื่นก็ไม่ได้แต่พอหายไปเนี่โอ้เราเดือดร้อนเลยเพราะเราไม่มีใส่ยละตอนนั้นหละถึงค่อยมาเห็นคุณค่าสุขภาพร่างกายเนี่ยถ้าเราหัานมาชื่นชมนะว่าเออนี่เรา โชคดีนะที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขได้ง่ายขึ้นแต่เรามักจะเห็นคุณค่าของสุขภาพก็ตอนที่เราเจ็บเราป่วยแต่ก็มาโน้ตโอ้ยตอนที่เราไม่ป่วยมันสุขแล้วมันสบายแล้วมีหลายอย่างในชีวิตที่เรามีแต่เรามองข้ามพ่าเราไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีหรือไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่เสียไปมีนักสาวคนหนึ่งนะอายุ ก็คงแล่ๆกับพวกเราเลืออาจจะอ่อนกว่านิดหน่อยแกเป็นนักกีฬาประเภทที่ชื่อว่าคาราเตโดมันเป็นกีฬาที่ใหม่มากสำหรับคนไทยแล้วก็ก็ฝึกปรือจนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติสิ่งที่เขาหมายมั่นเป็นความหวังจุดหมายของเขาก็คือการที่ได้เหรียญทอง สีเกมเพวกเมืองไทยยังไม่มีใครเคยได้เหรียญทองประเภทนี้เลยใจเขาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเนี่ยเหรียญทองนี่ต้องเอามาให้ได้เราะมีพ่อที่เป็นโค้ดประจําตัวแล้วก็ดูแลเขาดีมากไม่ใช่ในฐานะโค้ดเท่านั้นแต่ว่าในฐานะที่เป็นพ่อก็เรียกว่าคุณเคยสนิทสนมกันเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของชีวิตเรื่องการเรียน ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องอาการได้คำแนะนำเรื่องค า, าราเต้โแล้วเมื่อถึงวันที่เขาได้ไปแข่ง4ีเกมที่ฟิลิปปินส์นะก็พ่อไม่ได้ไปด้วยนะ พ, พ่อเป็นโค้ชประจำตัวก็มีแต่โค้ชทีมชาติไปกับกับเธออยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่ก็นึกแต่เรื่องว่าจะเอาชนะให้ได้ให้ได้เหรียญทองมา และสุดท้ายความฝันเธอก็เป็นจริงไนดะ้เหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศไทยมีความสุขมากดีใจมากก็มีการฉลองกันนะในคืนนั้นเลยพอฉลองเสร็จโค้ชทีมชาติก็มาบอกเธอว่าพ่อเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองวันที่แล้วแต่ไม่ได้บอกข่าวร้ายนี้เพราะว่ากลัวเธอจะไม่มีกำลังใจที่จะแข่งกีฬา เพราะว่าพอรู้ขาวเนเธอก็ร้องไห้โฮเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาประโยคนึงว่าเหรียญทองฉันไม่เอาแล้วฉัน จ, จะเอาพ่อคืนมาขอพ่อคืนมาเหรียญทองไม่เอาแล้วตอนนั้นอย่างที่เธอได้รู้ว่าเนี่ยเธอเคยมีสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตคือพ่อแต่ตอนที่พ่ออยู่กับเธอเธอไม่ได้มองเห็นขนาดนั้นเธอป้าใจเธอไปนึกถึงเหรียญทอง มีจะมีความทุกข์มากถ้าไม่ได้เหรียญทองทังที่ต่อห น, น้านเธอมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าอยู่แล้วก็คือพ่อแต่มารู้ว่านั่นคือสิ่งที่ประเสริฐก็ต่อเมื่อสูญเสียพ่อไปแล้วแล้วก็เลยรู้ว่าเหรียญทองมันแทบจะไม่มีความหมายเลยหรือมีความหมายน้อยมากแต่ทาไมก่อนหน้านั้นมันถึงมีความหมายมากเพราะว่ามันคือสิ่งที่ยังไม่มีมันเป็นสิ่งที่เธ อ, อยังไม่มีเธอก็เลย จะต้องเอาให้ได้ไอ้ส่วนสิ่งที่เธอมีอยู่แล้วนะคือพ่อแล้วก็อะไรหลายอย่างเธอไม่สนใจเธอก็เลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าที่ก็คือเมื่อเธอได้เสียไปเสียพ่อไปอันนี้ก็ถ้าเราเนี่ยไม่มาใส่ใจกับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนะเราไปสนใจสิ่งที่เราไม่มีนะนอกจากเราจะทุก เพราะยังไม่มีแล้วเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสในการที่จะได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่มีไอ้สิ่งที่เสียไปมันก็เป็นอดีตไปแล้วเอามาไม่ได้นะจะใส่ใจกับมันทำไมไอ้สิ่งที่ยังไม่มีมันก็เป็นอนาคตนะทำไมเราไม่สนใจสิ่งที่เรามีแล้วก็เห็นคุณค่าของมันต่ว่าไปแล้วความสุขนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เรามองไม่เห็น หลายคนที่บอกว่าฉันไม่มีความสุขไม่มีความสุขที่จริงมีนะแต่มองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเก็ใจไปมองหาความสุขข้างหน้าความสุขจากการได้ไปเมือง น, นอกความสุขจากการจะได้มีรถขับกับเขาหรือมีโทรศัพท์รุ่นใหม่แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วกับมองไม่เห็นเพียง ม, มองเห็นความสุขที่มีอาตมาชอบมากมีเพื่อนคนหนึ่งเขียน การปีใหม่ให้กับเพื่อนเขาเธอเขียนว่าขอให้เธอเห็นความสุขไม่ได้บอกว่าขอให้เธอมีความสุขนะเพราะว่าเธอมีอยู่แล้วเพียงแต่เธอไม่เห็นเท่านั้นเองถ้าเธอเห็นนะเธอก็จะเป็นสุขเราทุกคนเนี่ยก็มีความสุขอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เห็นเพราะใจไปนึกถึงอดีตไปอยู่กับอดีตตั้งหรือไปจดจ่ออยู่กับอนาคต ไปนึกถึงสิ่งที่เสียไปหรือไปใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีก็เลยไม่เห็นความสุขเนี่ยอนนี้นอกจากการที่นอกจากการที่ผ ล, ลอยเป็นทุกข์เพราะว่าไปนึกถึงอดีตกับอนาคตแล้วเนี่ยอันนี้ทำให้ทุกข์มากคือการที่เราไปไปยึดติด ก, กับสิ่งที่ปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งในที่หมายถึงความที่จะปรุงแต่งขึ้นมานึกเอาเองแล้วเราก็ไปยึดไปลงเชื่อเป็นความจริงนะมันอาจจะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตนะแต่ จ, จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเหตุการณ์มอยากเกิดขึ้นแล้วแต่เราไปปรุงนะไปปรุงให้มันเป็นลบซะเช่นเราเจอเพื่อนนะแต่เพื่อนเขาเราทักเพื่อน แต่เขาไม่ทักเรานะเขาเดินผ่านหรือเขามองไปทางอื่นอันที่จริงอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอเราปรุงแต่งขึ้นมาเลยว่าเขาไม่ชอบเรานะเขาไปฟังคําของคนอื่นมาหรือเปล่าทํำให้เขานะเย็นชา ก, กับเราแบบนี้ทําไมเขาไม่ชอบเราทําไมเขาเย็นชา ก, กับเราพอคิดแค่นี้เราทุกข์เลยนะ โดยที่เราไม่ตระหนักว่านั่นเป็นความคิดปรุงแต่งเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงทักของเราหรือเขาอาจะ ก, กังวลเรื่องอื่นพ่อเขาอา ก, กลังป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือว่าเขากําลังเขาเพิ่งได้ยินข่าวร้ายนะว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิตไปเขาก็เลยเมอลอยนะไม่ได้ยินเสียงทักของเราแต่เราไ ม, ไม่ได้รู้อันนี้ แล้วเราก็ไปสรุปลงหนะ้าว่าเขาไม่ชอบเราเอาคนเราทูกข้อการปรุงแต่งแบบนี้เยอะนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าเข า, เามีการโต้เถียงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งทางไลน์ไลน์นี่ก็พวกเราคงรู้จักนะก้อยโต้ก็โต้เถียงเรื่องเลื้อยน้อยเรื่ อ, อ, อ, อ, อภาพในโปรฟไฟล์นะเพื่อนบอกว่าภาพนี้ไม่ดีเขาบอกเขาก็บอกาภาพนี้ดีแล้วเทียมไปเทียมมา ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็วันต่อมาบากว่าการติดต่อของเพื่อนคนนั้นก็ขาดหายไปไม่ได้ขาดหายแค่วันเดียวนะ2วันเขาก็ไปดูที่ list profile นะบอกว่าไอ้ภาพโปรไฟล์ของเพื่อนคนนั้นก็มันก็แบ a n คือมันว่างไปเลยหายไปเลยเขากเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีว่าเพื่อนเนี่ย u n f r m e เขาหรือเปล่า เลิกติดต่อเขานะถอนออกจากการติดต่อเขาเลยหรือเปล่าพอคิดแค่นี้นะก็ทุกข์เลยนะกลุ้มอกกุ้มใจเนี่ยโหทำไมเพื่อนนี่โกรธเราขนาดนี้เฉลยไม่เลิกติดต่อกับเราแล้นะกลุ่มอกกุ้มใจนอนไม่หลับกินไม่ได้พอวันที่3มปรากฏว่าเพื่อนเขาโทรศัพท์มาบอกว่าช่วยส่ง id ดีมาให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนเครื่องใหมล่ล อยากจะแอดนะแอดเป็นเป็นเพื่อนของเขาในลายเหมือนเดิมพอดีที่เขาก็ลงออกเลยอ๋อที่แท้เพื่อนไม่ได้โกรธเขาจนตัดการติดต่อเงแล้วเขาเปลี่ยนเครื่องเพราะเปลี่ยนเครื่องก็ต้องทำบัญชีใหม่แต่ว่าหลงหลงคิดไปแล้วนะหลงปรุงตังไปแล้วว่าเพื่อนเขาโกรธเรามากเขาไม่ติดต่อเราละเขาตัดญาติขาดมีตกับเราละแล้วพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะ ไปเป็นทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่งสรุปล่วงหน้าโดยที่ความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ฉันฉันเชื่อแล้วว่านี่คือความจริงไอ้ความทุกข์เพราะการปรุงแต่งแบบนี้เนี่ยนะมันบางทีมันท้าให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตนะถ้ามีเรื่องราวาคนวัยรุ่นกลุ่มหนึงมากินมากินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะ แล้วก็เลือบเลือบไปกินนอกร้านตรงที่มันเป็นที่โล่งๆริมถนนนะ่ะก็กําลังกินกันอยู่ปราะว่ามันมีนกเนี่ยแล่นผ่านมา บ, บินผ่านมาแล้วก็นกนกนี่ก็เกิดขี้ตกลงมาบนหัวของวัยรุ่นคนหนึ่งพอดีก็บังเอิญกับที่เมียเจ้าของร้านเนี่ยเขาเดินผ่านมาในระหว่างที่เสิร์ฟอาหาร ไอ้บรรลุนคนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถมน้ํำลายลดถัวเธอลดถัวเขานะก็โกรธนะทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กับแบททะเลาะ ก, กันมาสามีนะซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็ที่จริงก็เป็นคนทำอาหารด้วยก็เอามีดมาไล่ไอ้วบรรล่นคนนั้นก็เลยล่าถอยไปแต่สภาก็กลับมาใหม่คราวนี้เอาเปืนมาด้วย ก็เลยมีการต่อสู้กันยิงนะเพราะว่าเมียเจ้าของร้านตายส่วนคนยิงก็ติดคุกไปตามระเบียบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่านกเนี่ยมันขี้ใส่หัวนะแต่ว่าใบลูกเขาจะไปหลงคิดปรุงแต่งว่าเนี่ยถูกถมน้ําลายลดหัวนี่ถ้าคนเราเนี่ยไปไม่มีสตินะมันก็จะไปหลงเชื่อไอ้ความคิดปรุงแต่งง่าย ได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาตัวเองทุกข์ด้วยและทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยถ้าเรามีสตินี่เราจะไม่เชื่อความคิดง่ายๆเราจะไม่หลงเชื่อไอ้ความคิดปรุงแต่งง่ายๆนะเราจะทักเราจะท้วงเราจะเราจะเตือนตนว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะเร า, า จ, จะคิดเอาเองก็ได้นะสติมันจะเป็นตัวคอยทักคอยทวง ถ้าเรารู้ทันความคิดนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดมันก็ครอบงาใจเราไปเลยนะก็หลงเชื่อเป็นความจริงคนเราเนี่ยเสียพูดเสียคนหรือว่าทะเลาะบอแงกันก็เพราะไอ้ลงเชื่อความคิดปรุงแต่งมากต่อมากแล้วไอ้ความคิดปรุงแต่งนี่เป็นเรื่องธรรมดานะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องคนเราก็ต้องสรุปอะไรไว้บ้างอยู่แล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเราตระหนักว่าเอามันเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นข้อสันนิษฐานนะอย่าเพิ่งพลีผาไปเชื่อเป็นความจริงเราก็คงไม่ไปถูกความคิดเหล่านี้ครอบงำเล่นงานได้ความคิดเนี่ยนะมันเป็นบาวที่ดีนะแต่มันเป็นนายที่เร็วเป็นนายที่เร็วถ้าว่าเราหลงเชื่อมัน มันก็พาเร า, เ ข, าเข้าพบเข้ารข้พงได้แต่ถ้าเราเป็นนายมันนะเราก็จะไม่เชื่อมันง่ายๆนะเราก็จ ะ, อะมองว่าเอออันนี้ก็เป็นความคิดหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ที่เพื่อนเขาไม่ทักเราก็าอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาเย็นชาไม่ไม่ใช่เพราะาเขาโกรธเรานะนี่สตินี่มันจะช่วยเตือนแบบนี้เตือนใจเราแบบนี้ ว่าจะเพึ่งไปด่วนสรุปนะว่าเขาโกรธเราว่าเข า, าหันหลังให้เราแล้วหรือว่าเขาปันใจไปให้คนอื่นเราก็จะต้องทำยังไงเราก็จะต้องตรวจสอบดูนะว่าจริงหรือเปล่าเราจะไม่เชื่อความคิดง่ายๆแล้วก็เราก็จะไม่ไม่เชื่อคำพูดของใครง่ายๆเหมือนกัน เดี๋ยวนี้เนี่ยพอใครพูดมาเราได้ยินปุ๊บเราก็เชื่อปรับเลยโดยที่เราไม่ได้ทักทวงว่าไอ้จริงหรือเปล่านะใครพูดมาว่าเพื่อนคนนี้เขาดินทาเธออย่างนี้นะเราเชื่อทันทีเลยทำไมเราถึงเชื่อเพราะตอนนั้นเราไม่พอใจเราได้ยินว่าเขานินทาเราแบบนั้นเนี่ยเราไม่พอใจเราลืมตัวสติไม่ไม่ทำงานตอนนั้นก็เลยเชื่อเลย ถ้าสติไม่ไ ม, มานะมันเชื่อง่ายเชื่อง่ายมากเลยเพราะว่าอาคติมันมาแทนได้ยินว่าเขาพูดตําหนิเราอย่างโน้นเขาวิจารเราอย่างนี้นะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเชื่อทันทีว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เลยผ่านโกรธเขาไม่มองหน้าเขาไม่คุยกับเขานี่เพราะว่าหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งหลงเชื่ออารมณ์เพราะการไม่มีสติ ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยคนเราทุกข์ก็เพราะความยึดติดนั่นแหละนะไปยึดติดในอดีตไปยึดติดในอนาคตไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็ตามนะเสียงที่มันรบกวนเราเสียงโทรศัพท์นะหรือว่ายุงที่บินว่อนนะหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะหรือแม้กระทั่งความปวดความเมื่อย เราดั่งอยู่ตอนนี้อาจจะเริ่มปวดเริ่มเมื่อยก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะมันไม่ใช่อัตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งมันเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเราไปยึดติดมันก็ทุกข์เหมือนกันนะเสียงที่ดังเข้ามาพอใจเราไปยึดติดกับเสียงนั้นเราก็จะเริ่มไม่พอใจว่าเสียงมันรบกวนเราบางทีเสียงมันเพาะนะแต่ว่ามันดังผิดที่เช่นอาจจะดังในโรงหนังนะหรือจะดังที่ศาลานี้เนะี่ย เราก็เริ่มไม่พอใจพอไม่พอใจใจก็ยิ่งไปจดจ่อที่เสียงนั้นเพราะอยากจะผลักแสนมันออกไปอยากจะให้เจ้าของปิดเครื่องพอใจเรไปปักอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่ยิ่งไม่พอใจก็ไปใหญ่ทั้งที่เป็นเสียงลิงลิงโ ท, ทนที่เพลาะแต่ว่าเรารูดว่ามันผิดกาลเทศะใจไปปักอยู่ตรงนั้นบางทีเสียงรบกวนในโรงหนังก็อาจจะเป็นเสียงเบาๆนะแต่พอใจเรไปปักอยู่ที่เสียงนั้นเนี่ยนะโอ้มัน ทำให้เราไม่มีสมาธิกับกับหนังเราก็ยิ่งขุ่นเคืองเราก็ยิ่งโมโหพอยิ่งโมโหใจก็ไปปักอยู่ที่เสียงนั้นมากขึ้นมันก็จะดังมากขึ้นมากขึ้นในความรู้สึก ข, ของเราก็เลยหงุดหิดลำคาญจนกระทั่งบางทีอาจจะลุกขึ้นไปด่าเขาก็เลยบุ่นวายกันใหญ่ความปวดความเมื่อยนะที่เกิดขึ้นกับเราก็เหมือนกันนะมันเป็นแค่ความปวดกาย ปวดขาปวดแข้งถ้าเราเพียงสักแต่ว่ารู้เฉยๆนะมันก็ทําอะไรจิตใจเราไม่ได้แต่พอเราไปปักเอาใจาไปปักอยู่ที่ไอ้ความปวดความเมื่อยนะที่เรีกเรื่ทุกขเวทนาเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดมากขึ้นมันเป็นเพราใจเราไปปักนะทำไมบางครั้งเนี่ยเรานั่งเป็นเรานั่งเป็นวันเป็นคืนเนี่ย แต่เราไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยเลยเพราะใจเราไปจดจ่ออยู่ที่ไพ่ที่กำลังถือในมือใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกเมื่อยทั้งที่นั่งทั้งคืนนะใจเรามาไปอยู่ที่ที่ตรงอื่นนะแต่เพียงแค่นั่งห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงพอปวดนีดปวดหน่อยเริ่มเมื่อยแล้วใจไปปากอยู่ที่ความปวดความเมื่อยนเะนี่ยมันก็ยิ่งขยายความทุกข์ให้มากขึ้นมากขึ้นจนรู้สึกว่าทนไม่ได้แล้ว หลายคนบางทีแค่มาฟังพระเทศแค่สิบหนาทีก็ขยับแล้วแต่เวลาเล่นไพ่เล่นดัมมี่เนี่ยเล่นกันเป็นชั่วโมงนะเป็นคืนนี่ไม่ขยับเลยก็มีเป็นเพราะอะไรไม่ไม่ใช่เพราะไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยนะความปวดความเมื่อยมีอยู่แต่ว่าใจไม่ไปรับรู้เพราะใจไปจดจ่อสิ่งอื่นแทนให้การที่ใจไปปักอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เป็นตัวที่ทําให้ขยายความปวดให้มากขึ้น จากปวดกายก็เลยปวดใจตามไปด้วยเลยถ้าที่ใจไปปักเพ่อไม่มีสตินะเพราะทั้งนั้นนีก็รู้ว่าเออมันปักแล้วเนียิ่งยิ่งปักยิ่งตรึงอยู่กับตรงนั้นยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นก็ยังไม่รู้ตัวยังปักอยู่แต่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นเออเห็นความปวดความเมื่อยเห็นความปวดความเมื่อนี่มันจ ะ, จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงในแง่ความรู้สึกนะ เราจะไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยละเราจะเห็นแค่ความปวดความเมื่อยมันต่างกันระหว่างความเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยกับการเห็นความปวดความเมื่อยเราเห็นได้เพราะเราเห็นได้เพราะสติสตินี่มันช่วยทำให้เราเห็นไม่เป็นนะสติมันทำให้ใจเราออกมาจากความปวดความเมื่อยมาเห็นมันเราจะเห็นสิ่งใดก็ต่อเมื่อเราออกจากสิ่งนั้นเราจะเห็นความทุกข์ก็ต่อเมื่อใจเราออกจากความทุกข์ เราจะเห็นความปวดความเมื่อยเมื่อใจเราออกจากความปวดความเมื่อยเช่นเดียวกันเราจะเห็นความฟุ้งซ่านความโกรธความโมโหก็พอใจเราออกมาจากความฟุ้งซ่านความโกรธความโมโหพอออกมามันก็ไม่เป็นละถ้าความโกรธความเบื่อความง่วงนะความเสียใจเนี่ยก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะเวลาใจเผลอไปนึกถึงอดีตบ้างนะไปลอยไปยังอนาคตบ้าง อันนี้ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเรามันมีอารมณ์เกิดขึ้นจากความคิดนั้นแล้วเราเห็นมันนะมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความแตกต่างขึ้นมาทันทีถ้าเราโกรธ ถ, ถ้าเราเสียใจแล้วเราไม่มีสตินะเราก็เป็นผู้โกรธผู้เสียใจแต่ถ้าเราเห็นมันนะเห็นมันเกิดขึ้นที่ใจตอนนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ปวด ไม่ได้เป็นผู้โกรธผู้เสียใจแล้วมันมีแต่แค่การเห็นความทุกข์เนี่ยนะถ้าเราเห็นมันเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาก็ไปเป็นมันครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้ว่าเนี่ยทุกข์เนี่ยมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นนะทุกข์บางอย่างเราหนีไม่พ้นเราหลบไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอ แต่เจอแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นทุกข์ถ้าเรามีสติเห็นมันเราก็ไม่เป็นทุกข์มีความปวดเกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันนะก็เป็นแต่กายที่ปวดมีความเมื่อย เ, เกิดขึ้นถ้าเราเห็นมันมันก็เป็นแต่กายที่เมื่อยแต่ใจไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยด้วยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ปวดผู้เมื่อย อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากับจิตใจของเรานะก็เช่นเดียวกันนะบางทีเราห้ามมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าถ้าเรามีสติเห็นมันมันก็จะเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในใจแล้วมันก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนกับไฟถ้าเราอยู่ในกองไฟนี่เราปวดนะเราร้อเลยนะ แต่ถ้าเราเดินออกมาจากกองไฟเรามาหันมามองกองไฟความร้อนเนี่ยมันก็จะทุเลาลงและบางทีไม่รู้สึกร้อนด้วยซ้ําเราเห็นกองไฟมันลุกไหมแต่เราไม่รู้สึกร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในกองไฟละไอไฟเนี่ยหมายถึงไฟอารมณ์ก็ได้นะถ้าเราเข้าไปอยู่ในไฟอารมณ์เป็นมันก็เป็นเลยนะก็มันก็อยู่กลาง ไฟอารมณ์ก็ถูกไฟอารมณ์เผาสติทำให้เราเนี่ยออกมาจากกองไฟนั้นมาเห็นแทนไม่ใช่เป็นไฟยังมีอยู่แต่ว่าไม่ทุกข์ไม่ร้อนละเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นมันเราเห็นมันมันมีระยะห่างระหว่างไฟนะกับตัวเราสติก็ทำหน้าที่นี่แหละดึงจิตออกมาจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเสียใจหรือ แต่ความเบื่อเห็นความโกรธความเศร้าวความเบื่อนะไม่เป็นผู้โกรธผู้เศร้าผู้เบื่อมันต่างกันมากเลยนะตรงนี้แหละที่จะทำให้ใจเราเป็นปกติได้เราจะอยู่กับความเบื่อก็อยู่ได้แล้วอยู่กับความเหงาก็อยู่ได้นะไม่ใช่ว่าจะต้องหนีมันเพราะบางทีก็หนีไม่พ้นและขจัดมันยังไงมันก็ไม่ไปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอำาบังคับบัญชาของเราได้ แต่เราสามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เพราะเราเห็นมันไม่เป็นมันนะสติมันมีคุณค่ามากเพราะนั้นเนี่ยลองกลับไปทบทวนนะถ้าเรามีความทุกข์ที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลองดูว่าเป็นเพราะใจเราไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตหรือเปล่าเป็นเพราะเราไปยึดติดกับความคิดปรุงแต่งหรือเปล่าเป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งเราเป็นมันนะเราไม่ใช่เห็นมันหรือเปล่า อะไรเกิดขึ้นกับปัจจุบันก็ตามแม้จะไม่ดีแต่ถ้าเรามีสตินะไอสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สามารถทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ช้านี้ก็พูดกันเท่านี้น ะ, ะกลับพรบ